ญาติโยมถึงได้ถือโอกาสนี้มาวัดเพื่อที่จะได้มาสร้างบุญสร้างกุศลและมาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผล ส่วนที่เป็นเหตุก็คือการกระทาต่างๆของเราทางกายทางวาจาและทางใจส่วนผลก็คือความสุขและความทุกข์ความเจริญและความเสื่อมเสียต่างๆที่เราอาจจะได้รับเนื่องจากการกระทาต่างๆของเรา บางท่านก็อาจจะมีความสุขความเจริญมากบางท่านก็มีอาจจะมีความทุกข์ความเสื่อมากทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเกิดจากการกระทาของแต่และบุคคลใครทำอะไรก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นพวกเราจึงมีความแตกต่างกันไปต่างกันด้วยความสุขต่างกันด้วยความทุกข์ ต่างกันด้วยความเจริญต่างกันด้วยความเสือ่อมเพราะการกระทาของเรานั้นไม่เท่ากันไม่เหมือนกันผลจึงไม่เหมือนกันดังนั้นเราจึงควรที่จะพิจรารณาอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ mm hmm. เพราะว่าการกระทาของเรานี่เป็นเหตุ ที่จะทำให้เกิดผลคือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสือ่อมการกระทำของเรานี้จึงเปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆวันๆอย่างนี้เราปลูกต้นไม้หลายชนิดด้วยกันต้นไม้ที่มีคุณมีประโยชน์ก็มีต้นไม้ที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็มีพอต้นไม้เหล่านี้จเจริญเติบโตขึ้น ก็ออกดอกออกผลให้กับเราอยู่ที่การกระทําของเราทางกายและทางวาจาและทางใจเราอย่าประมาวันเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามีแต่จะผ่านไปผ่านไปเวลานี้จะกลืนกินสปปรรพสิ่งและสปปรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตของเราก็เป็นสปปรรพสัตว์เป็นสปปรรพสิ่ง คือร่างกายของเราก็เป็น น, น้ำลมไฟวันเวลาก็จะค่อยๆเขมือ ช, ชีวิตของเราเข้าไปเอเล็กเทเลน้อยเหมือนเงเหมือนงูที่เขมือเหยื่อก็จะค่อยๆ ค, ค, คืนเข้าไปขมือเข้าไปทีละเล็กเทเลน้อยจนในที่สุดก็เขมือปืนเข้าไปในท้องจนหมดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้น เวลาที่ผ่านไปผ่านไปนี้ก็เป็นเหมือนตัวงูที่กาลังขงมืดชีวิตของเราไปทีล ะ, ละเล็กทีละน้อยดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีโอกาสมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้กับเราได้ทั้งในทางทางที่ดีและในทางที่เสีย เราจึงต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หรือทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเราถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ปรับการกระทำของเราให้เข้าสู่ธรรมนองครองธรรมให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทา คือให้ทําแต่ความดีให้ละบาปและให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสมส่วนนี้อยู่ภายในใจเราอยู่อย่างสม่ําเสมอเราก็จะสามารถปรับวิธีการดําเนินชีวิตวิธีการกระทําของเราให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ แล้วผลอันเดียนเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบุกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นกันดังนั้นขอให้เราทบทวนทุกวันเช่นวันนี้ก่อนนอนเราก็นั่งทบทวนดูว่าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างทำดีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือเปล่าละการกระทำบาปหรือเปล่า ชำระใจของเราคือลดหรือตัดความโลภความโกรธความหลงให้มีน้อยลงไปหรือเปล่าถ้าเราได้ทำทั้งสามส่วนก็ถือว่าวันนี้เราได้กาไรถึงแม้ว่าเราจะขาดทุนทางด้านเวลาคือเวลาเราต้องเสียไปชีวิตของพวกเรานี่มีเวลาเท่ากันในแต่ละวันวันหนึ่งนี่เราเสียเวลาไป ยี่สิส่ชั่วโมงด้วยกันแต่เราได้อะไรจากการเสียเวลานี้ได้กำไรหรือขาดทุนถ้าเราไม่ได้ทำความดีถ้าเราไม่ได้ละบาปหรืออบายามุขต่างๆถ้าเราไม่ได้ลดความโลภความโกรธความหลงของเราให้น้อยลงไป mm hmm. ก็เราก็จะขาดทุ น, เ, นเวลาที่สูญเสียไปนี้ก็ ไม่ได้ประโยชน์การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นเป็นภพชาติที่ดีที่สุดเพราะเป็นภพของผู้ที่จะสามารถบรรลุธรรมสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจสามารถสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าไม่เอาเวลานี้มาทำประโยชน์ด้วยการทำความดีด้วยการละ บ, บาป ด้วยการละอาบายามุขและด้วยการลดละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปชีวิตของเราก็จะขาดทุนถ้าเราตายไปแล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นอะไรอีกเพราะภพชาติอื่นนี้จะไม่มีโอกาสที่ดีเหมือนภพชาติของมนุษย์ ไปตกนรกนี้จิตใจก็มีแต่ความทุกข์จนไม่มีสติสตังพอที่จะทําอะไรได้ถ้าไปเกิดเป็นเปรตจิตใจก็จะมีแต่ความหิวความอยากอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถทําความดีได้ถ้าไปเกิดเป็นเดรัฉานก็ต้องคอยทํามาหากินคอยป้องกันชีวิตของตนเองก็จะไม่ค่อยได้ทําความดีจะไม่ได้ทําความดีไม่ได้ละ กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงแต่จะมีแต่ทำบาปไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไปเป็นไปเกิดเป็นเทพแรืเป็นพรหมก็จะอยู่กับความสุขอยู่กับความสบายก็ไม่มีเวลาที่จะมาสนใจกับเรื่องการทำความดีต่างๆมีพบของมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่เราสามารถที่จะมาเติมบุญมา เพิ่มทำความดีเพิ่มขึ้นไปให้แก่จิตใจของเราเพื่อที่จะได้พัฒนาให้สูงขึ้นไปตามลําดับโดยเฉพาะในภพชาติที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าได้พบอย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะว่า เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าเป็นรางวัลก็จะได้รับรางวัลที่หนึ่งคือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเรามาเกิดแล้วเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระอริยสงฆ์ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินได้ฟังพระธคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้เรื่องของชีวิตเรา ว่าเราจเจริญหรือเสื่อมเราสุขหรือทุกนี้เกิดจากอะไรมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่มีญาณมีปัญญามีความรู้ความฉลาดที่จะเห็นถึงกฎของกรรมได้รู้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี้อยู่ภายใต้กฎของกรรม แต่ส่วนใหญ่สัตว์โลกมักจะไปทำกรรมไม่ดีกันเสียส่วนใหญ่จึงต้องพบแต่ความทุกข์กันไม่รู้จักจบจากสิน้นมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทท่านั้นที่รู้ว่าถ้าจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมหรือหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะต้องอยู่เหนือ ก็ต้องไม่ทำกรรมอะไรเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องก้าวขึ้นไปจากขั้นที่เราอยู่ตอนนี้ก่อนคือเราต้องทำความดีก่อนเมื่อเราทำความดีไปมากๆแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอเพราะจิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพออย่างเต็มที่แล้ว เราก็ไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านออกบวชปฏิบัติธรรมจนจิตใจของท่านนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเป็นปรมังสุขขังพอถึงตอนนั้นแล้วท่านก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรอีกต่อไปท่านหยุดการกระทําของท่านได้เพอจิตใจของท่านนี้ ไม่หิวไม่อยากกับอะไรอีกแล้วนั่นเองเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวอีกต่อไปนะเพียงแต่ว่าข้าวที่พวกเรารับประทานนี้มันอิ่มไม่นานเท่านั้นเองอยู่ท้องประมาณสักอย่างมากก็24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเติมเข้าไปใหม่แต่สำหรับใจที่ได้ปฏิบัติธรรมได้ทำความดีได้ละบาได้ชาระ ใจให้สะอาดบริสุดแล้วนั้นจะเป็นใจที่มีความอิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่มีความหิวเข้ามานบกวนจิตใจได้เลยสำหรับผู้ที่ได้พบกับความอิ่มใจแบบนี้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอีกต่อไปดังที่ทรงตัดไว้ว่าวุสิตังบ ร, รมจริยังกิจของกิจในพรหมจรรย์นี้ได้ ได้หมดแล้วได้ทำหมดแล้วชิ้นสุดแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปเ <c oughs> มื่อไม่มีทำกิจอะไรต่อไป <c oughs> ก็จะไม่มีการทำกรรมอีกต่อไปเ <c oughs> มือม่อมีการทำกรรมก็จะไม่มีการไปรับใช้กรรมอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัดพลากจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบ ซึ่งล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนี่คือเรื่องที่เราควรที่จะพิจารณากันอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราไม่ไม่ปฏิบัติและทาให้ตัวเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้อาจจะสุขมากกว่านี้บ้างบางครั้งบางเวลาอาจจะทุกข์มากกว่านี้บ้างบางครั้งบางเวลา อาจจะต้องไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์บ้างอาจจะกลับมาเกิดสูงกว่ามนุษย์บ้างแต่ จ, จะเกิดในระดับไหนก็ตามก็จะก็จะมีวันหมดไปคือเกิดเป็นในสวรรค์ก็จะหมดจากสวรรค์ไตกนรกก็จะหมดจากนรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่เราเป็นกันมาอยู่นี้ ท่านบอกว่าเวลาหรือพบชาติที่เรามีอยู่นี้มันมากมายก่ายกองจนไม่สามารถนับได้เราเพียงแต่ประมาณได้จากน้ำตาที่เราหลั่งออกมาในแต่ละพบแต่ละชาติท่านทรงจัดไว้ว่าเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันไว้มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรีินั่นก็คือจำนวนพบชาติของเรา ที่เราได้หลังน้ำตาเมื่อมารวมกันแล้ ว, ลวมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสอีกคิดดูก็แล้วกันว่ามีมากน้อยเพียงไรความทุกข์ที่เราผ่านมานี้มีมากน้อยเพียงไรและความทุกข์ที่เรายังจะต้องต้องไ ป, ปเผชิญไปพบอีกก็จะมีมากมากกว่านั้นดีถ้าเราไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเรา ดังนั้นเราจึงควรที่จะขวนขวายตะเกียบตะกายภาคเพียนพยายามปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้อย่างน้อยก็ต้องขอให้ทำไปได้มากได้น้อยก็ไม่สำคัญอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าบอกว่าไว้รอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมาเข้าวัดมาปฏิบัติ เพราะมันจะสายเกินไปเพราะเวลามีอายุมากแล้วสังขารร่างกายมันจะไม่เอื้ออําหนวยจะสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่ไหวจะเดินบิณฑบาตก็ไม่ไหวจะล้างบาตรก็ไม่ไหวจะทําอะไรก็ไม่ไหวโดนความโนนโนนความทุกข์ของสังขารร่างกายมาเป็นอุปสรรคถึงแม้จะได้บวชก็ได้บวชแต่กาย คือได้โกนศีรษะได้ห่มผ้าเหลืองแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของพระได้อันที่ส่ของการบวชพระจึงไม่ได้อะไรมรรคผลนิพพานนี้จะไม่เกิดเลยถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ดังนั้นเราควรที่จะปฏิบัติในขณะที่เรายังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ยังไม่แก่จนเกินไปอย่าไปผัดเวลาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีเวลาอยู่หรือไม่พรุ่งนี้เวลาของเราอาจจะหมดไปก็ได้คือเราอาจจะต้องตายไปก่อนที่เราคิดก็ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทควรรีบตักตวงประโยชน์สุขที่เราพึงจะได้รับจากพ่อธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้า ในตั้งแต่บัดนี้ไปทําไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ทําเลยถ้าถึงแม้จะทําไม่มากก็ดีกว่าไม่ทําเลยขอให้เราทําไปเช่นทําความดีก็มีหลายอย่างความดีก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นหรือให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็สามารถทําได้ด้วยหลายเหตุผลด้วยกันเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี ด, ด้วยความเมตตาเช่นปีใหม่นี้เราก็ส่งสอกสอให้กันให้ของขวัญกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําความดีด้วยความปรารถนาดีหรือเราจะทําความดีด้วยความสงสารกรุณ า, าก็ได้เห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเราพอที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไป อย่างนี้ก็เรียกว่าทำความดีด้วยความกรุณาหรือเราจะตอบแทนยินคุณของผู้มีเกียรติขอของเราก็ได้เช่นบิดามารดาปูย่าตายายครูบาอาจารย์เรามีอะไรที่เราจะให้ท่านได้เราก็ให้ไปหรือท่านเดือดร้อนอะไรเราช่วยเหลือท่านได้เราก็ช่วยเหลือท่านไปนี่ก็คือการทำความดีด้วย ความกระตังยูกระตเวทีเมื่อทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมากขึ้นมีความโลภความโกรธน้อยลงไปและจะทำให้เรามีความเมตตามากขึ้นจะทำให้เราไม่คิดอยากที่จะเบียดเบียนผู้อื่นทำให้เรารักษาศีลได้ง่าย เพราะเมื่อเรามีความเมตตาแล้วเราก็จะไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะไม่ชอบรักทรัพย์จะไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีจะไม่ชอบพูดปดโมดเท็จเมื่อเรามีจิตใจที่ดีแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นก็จะทำให้เราปฏิบัติทำเพื่อชาําระกิเลอนอย่างถาวร ได้ง่ายขึ้นเราจะรู้สึกว่านั่งสมาธินี้ไม่ยากไม่เหมือนกับตอนที่เรายังต้องทำบาป ท, ทำกรรมอยู่เวลาเรานั่งสมาธิตอนนั้นใจของเราจะว้าวุ่นขุ่นมัวถ้าเรายังทำบาป ท, ทำกรรมอยู่จะรู้สึกทำใจขมใจให้สงบได้ยากมากแต่พอเราได้ทำความดี ด้วยความเมตตาก็ดีด้วยความกรุณาก็ดีด้วยความกตัญญูกตเวทีก็ดี <c oughs> ดจิตใจของเราก็จะสงบตัวลงจะอ่อนลงจะมีความรู้สึกสงบมีความสุขและอยากจะให้สงบมากขึ้นไปพอเรามาทำสมาธิด้วยอุบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลับตาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ดีหรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกไปก็ดีด้วยสติที่คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นใจก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าใจถ้าใจยังทําบาปทํากรรมอยู่ใจจะมีความว้าวุ่นขุ่นบัววิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ตนเองไปทำเอาไว้ เวลาที่จะไปตั้งไปทําจิตใจให้สงบอยู่ตามลําพังก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาจนไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้อยู่กับบทสวดมนต์ได้ให้อยู่กับการบริกรรมได้หรือให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ แต่ถ้ามีเมตตามีกรุณามีความกตัญญูกตวเวทีแล้วและได้ทำความดีอยู่อย่างสม่าเสมอใจก็จะมีสีล ข, ขึ้นมาใจจะสงบตัวจะไม่ว้าวุ่นขุนวัวจะไม่วิตกไม่กังวลพอมาทำจิตใจให้สงบก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วเวลาจิตสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจ เป็นความสุขที่ไม่มีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการได้เงินได้ทองได้ข้าวของได้ได้ยศได้ตำแหน่งได้การสรรเสริญยกย่องหรือได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆความสุขเหล่านี้นั้นจาไม่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบภายในใจไม่ได้เหมือนฟ้ากับดิน เหมือนก้อนหินกับก้อนเพชรต่างกันอย่างนั้นผู้ใดทาจิตใจให้สงบได้แล้วจะเกิดมีฉันทะอย่างแรงกล้ามีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติทาจิตใจให้สงบให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะตอนแรกนี้ใจก็สงบเพียงระยะวเวลาสั้นๆไม่นานอาจจะเป็นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอง แต่เมื่อได้เสพสัมผัสความสุขแบบนี้แล้วก็จะรู้ว่านี่แหละคือเป้าหมายของชีวิตการกระทาต่างๆก็จะเบนมาสู่ความสุขชนิดนี้ทันทีเคยหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเคยหาความสุขกับการหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาการสรรเสริญนี้ก็จะเบื่อไปแล้วก็จะหันมาสู่การทาจิตใจให้สงบ ด้วยการทำบุญเพิ่มมากขึ้นไปรักษาสินให้มากยิ่งขึ้นไปถ้ารักษาสินห้าได้อยู่แล้วก็จะรักษาสินแปเพราะสินแปนี้จะช่วยทำให้ใจนี้สงบได้มากยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ที่ถือศินแปดนี้ก็จะต้องตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับใคร แล้วก็ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเช่นการดูหนังฟังเพลงร้องลําทำเพลงหรือจากการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆแต่งหน้าทาปากอย่างนี้ใช้น้ำหอมแล้วความสุขเหล่านี้ก็จะตว์ไปเบื่อแล้วก็มาหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบไปอยู่ตามสถานที่สงบส ง, บสงัดวิเวก เช่นอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่มีการภาวนาเป็นงานหลักทุกคนที่อยู่ในวัดจะมีสติคอยควบคุมกายวาจาใจของตนไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านสงมารบกวนผู้อื่นไม่มีความจาเป็นที่จะต้องทำกิจอะไรก็จะไม่ทำถ้าจะทำกิจก็จะต้องรอเวลาทําพร้อมๆกัน ถ้าจะพูดก็จะพูดอย่างเบาๆไม่ส่งเสียงดังถ้าไม่มีความจำเป็นจะพูดก็ไม่พูดเลยส่วนความคิดก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าต้องคิดก็ไม่ให้คิดให้คิดแต่ว่าพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือให้คิดทางด้านปัญญาเช่นให้คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดา ต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ถ้าคิดแบบนี้แล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะเกิดความกล้าหาญจะไม่หวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพาคจากกันเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกับเรารู้ว่าฝนจะตกเมื่อเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการ ตกของฝนแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาฝนตกถ้าเราต้องออกข้างนอกเราก็เตรียมร่มไปหรืออยู่ในรถถ้าเราไม่มีความจำเป็นเราก็อยู่ในบ้านปลอดภัยฉันใดถ้าเราได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายการพัดภาคจากการอยู่อย่างสม่าเสมอแล้วเราก็จะทำใจของเราให้สงบให้ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขา คือจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นก็รับรู้ไปเท่านั้นเองแก่ก็รู้ว่าแก่เจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็รู้ว่าตายก็เท่านั้นเองแต่จะไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ชำระกิเลสคือความโลภความอยากเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เวลาเกิดความแก่ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาตายก็เช่นเดียวกันเพราะเรายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองความอยากนี้<ม>พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นสมุทยัยคือเป็นเหตุของความทุกข์ใจทั้งหลายเวลาที่เรามีความทุกข์ใจนี้ ถ้าเราวิเคราะห์ดูเราก็จะรู้เลยว่ามันเกิดจากความอยากของเราเช่นอยากจะอยู่กับสามีกับภรรยาไปนานๆแต่พอเริ่มเห็นว่าเขาอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเราพิจารณาว่าเราต้องพัดภาคจากกันไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการพัดพลาดจากกันได้ เราก็จะไม่มีความอยากที่จะอยู่ร่วมกันไปตลอดพอถึงเวลาที่จะต้องแยกทางกันจากกันไปก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจเพราะว่าเราได้ชำระกิเลสตัณหาคือความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปหรือหมดไปนั่นเองถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจแล้ว ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่มากระทบกับใจของเราเลยโลกจะเจริญหรือเสื่อมร่างกายเราจะเป็นหรือตายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเราจะสูญหายหมดไปใครจะด่าเราใครจะชมเรานี้จะไม่เป็นปัญหากับใจเลยเพราะใจไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อยากมีหรือไม่ได้อยากให้อยู่กับตน มีก็รับได้ไม่มีก็รับได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการได้ชำระใจชำระความโลภชำระตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะสะอาด่ดยสุดก็จะไม่มีพบชาติที่จะต้องตามมาต่อไปเพราะใจไม่ทำทำไม่ทากรรมอีกแล้วใครจะทำอะไรใครว่าอะไรก็ไม่ตอบโต้ เฉยอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องที่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายไว้เพราะนี่เป็นการกระทําที่ได้กําไรอย่างแท้จริงการกระทําอย่างอื่นนี้ถ้าได้กําไรก็ได้กําไรชั่วคราวเช่นถ้าเราได้ได้พบกับความร่ำรวยได้มีตำแหน่งสูงๆอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งชั่วคราว พอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความน้อมรวยของเราก็หมดไปตำแหน่งที่เรามีอยู่นี้ก็หมดไปพอเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่อีกแต่สิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านี้จะอยู่กับเราไปตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นสูงสุดเราก็ยังสามารถไปทำต่อได้ในภพต่อไปเลย ไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ด้วยเหตุนี้เองพวกเราหรือคนที่มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงมีความสามารถแตกต่างกันในการบรรลุธรรมบางคนเพียงแต่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้เลยสาเร็จเลยบางคนก็ต้องไปปฏิบัติต้องไปบวชก่อนถึงจะถึงจะสาเร็จได้นั่นก็เพราะว่าแต่ละคน ได้ชำระใจของตนมาไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่ได้ชำระใจมามากแล้วก็จะมีงานเหลือน้อยผู้ที่ยังไม่ได้ชำระก็จะมีงานที่จะต้องทำมากเท่านั้นเองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทํากันไปตั้งแต่วันนี้เถิดถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถสําเร็จงานนี้ได้ภายในภพนี้ชาตินี้เราก็จะไม่สูญเสียส่วนที่เราได้ทำไปแล้ว พอเราไปเกิดชาติใหม่ต่อไปเราก็จะทำได้เลยถ้าชาตินี้เรานั่งสมาธิได้แล้วชาติหน้าเราก็จะนั่งได้เลยถ้าชาตินี้เราพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงทั้งหลายได้แล้วพอชาติหน้าไปเกิดเราก็จะพิจารณาต่อไปเลยไม่ต้องมามาให้คนสอนมาให้คนบอกเราเพราะมันจะติดไปกับใจของเรา นี่คืองานที่เราจะได้กาไรและสามารถเอาติดตัวกับเราไปได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจหรือหันความสนใจของท่านให้มากับมาทำงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้พวกเราทำจะดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่เสียชาติเกิดเราจะไม่ได้ขาดเราจะไม่ขาดทุนจากเวลา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 ลด น, น้อยลงไปตามลำดับโดยทั่วหน้ากันเทิรน